ขอความสุขความเจริญจะมีเดี๋ยวท่านผู้ฟังทั้งหลายเชยงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอสมาธิทิฏฐิในช่วงอัตรกรถาคือช่วงที่พระอัตรกรถาจารย์อธิบายประเด็นที่ยากๆของหลักธรรมที่ได้กล่าวเมาแล้วในตอนตน้น นั่นก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาทข้อต่อไปท่านกล่าว พ, นานาพันนาผัสสะวาระคือวาระที่บ้านด้วยผัสสะผัสสะนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราก็มีกันคนละหกข้อคือสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ สัมผัสทางใจพระเทระได้กล่าวคือภาษาริบุตรเทระได้กล่าวอธิบายขยายออกไปทั้งส่วนที่เป็นโลกยะและส่วนที่เป็นโลกุตระจากนั้นก็เป็นการพูดถึง สลายตนะเกิดสลายตนะหรืออายตนะหกก็ได้แก่ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลผิภัธรรมารมก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีสลายตนะเลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นคนอะ กระตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีลิ้นก็ไม่มีกายก็ไม่มีแล้วก็อารมณ์ที่จะเก็บสะสมอยู่ภายในใจก็ไม่มีกอหมายความว่าที่ตั้งของอายตนะมันไม่มีอายตนะมันก็ไม่เกิดส น, นี้ข้อต่อไปก็ท่านก็พูดถึงเรื่อง คือเวลาเรียกเนี่ยท่านเรียกว่าจักขว า, ายตนางแปลว่าอายตนาคือจะขุดเป็นภาษาที่เรียกในเรียกว่าวิปัสสนาภูมิคือภูมิที่เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาก็มีขันธ์หน้าอายตนาส2บสองาปอินทรีย์สองริยสัจสี ปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะเห็นว่าเป็นองค์ธรรมที่นับเป็นข้อนี่มีถึงเจ็ดสิบวข้อแต่นับเป็นกลุ่มก็มีเพียงหกกลุ่มที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออยู่ในตัวคนแต่ละคนนั่นเองกุศลเรื่องกุศลหรือแม้แต่ความรู้สึกกลางๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันนะ่ะ ก็อาจจะทุกขณะโดยทำไปนะพูดจริงๆก็คือทุกข์ณะเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ใส่ใจบางทีเราใส่ใจท่านั้นเองถ้าใส่ใจก็อาจจะเกิดกุศลเรือกุศลขึ้นภายในใจทาไมใส่ใจส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลางกลางทีนี้ประเด็นนั้นท่านบอกว่าคำว่านามารูปเกิด ผู้ศึกษาพึงทราบการเกิดขึ้นแห่งอายตนะเพราะนามารูปเกิดนามารูปประเด็นจับง่ายๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราจะจับไป้ยากมันก็ยากแต่ว่าโลกทั้งปวงสรุปแล้วว่ามันเป็นนามกับรูปรูปธรรมกับ น, นามธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดรพะพัดส่วนที่เป็นนามธรรมาก็คือใจกับธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดหรืออยู่ภายในใจแต่อารมณ์นี้พึงสังเกตว่ามันก็เป็นของเก่านะของเก่าเก็บเพราะว่ามันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทานักจําเอาไว้ เรากลายเป็นข้อมูลมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละเรื่องอะไรที่สะสมข้อมูลไว้มากเราก็คิดได้มากคือคิดได้ตรงๆแบบดีก็คือดีไม่ดีก็คือไปดีกลางๆก็คือกลางๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอประสบการณ์ตรงทางประสาสัมผัสเรามากขึ้นเราเก็บสะสมมากขึ้น การมองการคิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปคือสามารถจะพัฒนาความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้เรื่องดีที่เคยมองเห็นเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็มองขยายให้เป็นผลประโยชน์ออกไปได้อีกเป็นนั้นมากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระภูรานชดินพันรูปที่ ขยะศีรษะใกล้แม่น้ำขยะเราสั่งว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนก็เป็นเรื่อนมาฮะร้อนหมดมาความสรุปแล้วญาตน้าภายในภายนอกนี่ร้อนหมด จากนั้นก็เรียงเป็นวิญญาณวิญญาณหกทั้งหมดมันก็เป็นของร้อนแล้ก็สัมผัสสัมผัสมันสัมผัสหกมันก็เป็นของร้อนแล้วเวทนาอาการที่จิตเสวยอารมณ์เวลาท่านเรียกเต็มเต็มเนี่ยเรียกแปรแปรเป็นภาษาไทยเต็มเต็มว่า การเห็นรูปความเสบยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุเป็นปัจจัยหมายความอ่าในการในที่ตาเห็นรูปมันทำให้จิตทาหน้าที่เสวยอารมณ์อารมณ์ก็คือที่เราเห็นด้วยตาในขณะนั้นจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายก็ตามก็คือว่า เป็นเรื่องของอารมณ์ทีนี้พวกอารมณ์เราเหล่านี้มันก็คือหลักธรรมทั้งหมดที่ฉุกแสดงมาตั้งแต่ตน้นก็พูดว่าทั้งหมดก็แล้วกันไม่มีอะไรนอกจากนามกับรูปไม่รูปก็คือนามไม่นามก็คือรูปท่นบอกว่าเพราะนามารูปเกิด โดยนิยาที่กล่าวไว้แล้วในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นก็องค์ธรรมเป็นห่วงลูกโซ่สิบสองห่วงด้วยกันเราสรุปแล้วก็คือนามกับรูปอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอาวิชชาก็เป็นนาม สังขารเองเฉพาะตรงนั้นก็เป็นนามวิญญาณก็เป็นนามนามรูปเป็นทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งรูปและนามอายตนาสี่ห้าข้อแรกเป็นรูปสิบข้อแรกนะฮะทั้งภายในภายนอกสิบข้อแรกก็เป็นรูปข้อสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งภายในภายนอกนี่ก็เป็นนาม ก็สรุปว่าก็เป็นรูปนามเหมือนกันเราเรียกว่าอายตนะพัทธะการกระทบนะเป็นสิ่งที่กระทบแต่เป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้แต่ว่าการกระทบการที่จิตรู้สึกกระทบมนะันเป็นนามก็เป็นเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาเนี่ยให้เราสังเกตว่าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แต่การแสดงเรื่องชีวิตของมนุษย์อย่างิรับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกที่สก ล, ลกายซึ่งมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกับมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี่เองไม่ได้แสดงที่ไหนเลย ธรมที่เราเรียนทั้งหมดที่เราเรียกก็แปด0มื่นสี่พันนะแม้จะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่อื่นไปจากรูปนามแล้วก็อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละจากนั้นก็อาจจะตระแล้วก็เป็นผัสสะแล้วเป็นเวทนาเวทนานั้นก็เป็นนามแต่ตัวที่เป็นเหตุได้เกิดเวทนา ห้าข้อแรกทั้งอายตนาภายนอกและภายในเป็นรูปนะครข้อสุดท้ายก็เป็นนามแล้วการกระทบกันระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยรวมแล้วก็เป็นปัจจัยปัจจัก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนากลางๆ ก, ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนา นี้ในส่วนที่เราชอบเนี่ยเราก็เกิดการมันตัญหาเพราะว่าตัญหาส่วนที่เราไม่ชอบมันก็เป็นวิภวะตัญหาจากนั้นก็กลายเป็นอุปาทานคือจิตที่ยึดมัน่นถือมันในสิ่งเหล่านั้นพออุปาทานมันก็เกิดเป็นพบขึ้นภายในจิตพบส่วนหนึ่งเป็นสังขารพบพบส่วนหนึ่งเป็นอุปัตติพบ อุปติภพนั้นหมายถึงรูปธรรมทั้งหลายก็ดวงดาวทั้งหลายที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยเรารู้ตัวอย่างตอนนี้ที่เราชัดเจนก็คือโลกที่เราอยู่เราเองก็เป็นสังขารที่เป็นรูปแต่ว่าเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากสังขารที่เป็นนาม ก็คือบุญบาปแล้วก็เมื่อเป็นอุปาทานเราจะเห็นว่าก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องมาจากตันหาพูดว่าตันหาใดอุปาทานก่อนนั้นอุปาทานอันใดตันหาไปอันนั้นแล้วก็เกิดเป็นพบอย่างกล่าวพบจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนเดิมก็คือ เป็นนามารูปชุดใหม่ไม่ใช่ชุดใหม่เราต่อเนื่องกันนั่นแหละมันก็กลายเป็นความเกิดผู้เจ้าเรียกความเกิดนะฮะไม่ใช่เรียกว่าผู้เกิดเรียกความเกิดแล้วก็ความแก่แล้วก็ความเจ็บแล้วก็ความตายแล้วความสุขความร่ำรวยรําพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจทั้งหมดนี่ ตัวมันเองเป็นนามแต่ตัวอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางกายมีความแก่เจ็บตายเป็นต้นพวกนั้นก็เป็นนามเรื่องนี้คล้ายๆกับเราเห็นแต่เราไม่เห็นนะโดยตามปกติแล้วเราจะเห็นด้วยตาปัญญาจริงๆจะยาก เพราะถ้าเห็นด้วยตาปัญญาจริงๆแล้วกิเลส ต, ต้องรับแตะต้องดับนะฮะกิเลส ต, ต้องลดลงไปเรื่อยๆแล้วจนถึงจุดหนึ่งเราก็หมดกิเลสเหล่านั้นแล้วก็จิตก็จะไม่คือขจัดตัณหาออกไปแล้วไม่มีอุปาทานอยู่ภายในใจทีนี้คำว่านา้มเนี่ยเราก็คุ้นๆเราก็คุ้นๆแต่ว่า จะนิยามความหมายชัดเจนได้ยังไงท่านก็บอกว่านนามในมีการน้อมไปเป็นลักษณะรูปเนี่ยมีการสลายไปเป็นลักษณะแต่ว่าในวาระแห่งวิถารณัยคือนยะที่พิสดารเนี่ยของนามรูปนั้นพึงทราบว่าเวธนาได้แก่เวธนาขันสัญญาได้แก่สัญญาขัน เจตนาผัดสะมรสิการได้แก่สังขารขันถึงจะมีธรรมะแม้อย่างอื่นที่สงเคราะห์เข้าด้วยสังขารขันก็จริงอยู่แต่ว่าทำสามอย่างนี้มีอยู่ในจิตที่มีพลังตรำทุกดวงเพราะฉะนั้นในนามรูปนี้พระเถราก็ได้แสดงสังขารไว้ด้วยอํานาจแห่งธรรมสามอย่างเหล่านั้นนั่นเอง แล้วก็คำว่าสีก็คือมหาภูตรูปสี่ก่อนในตัวเราเนี่เป็นมหาภูตรูปสี่ที่เป็นส่วนของดินของน้ำของลมของไฟนะมาผสมกันเป็นดังการนี่ก็เรียกว่ามหาภูตารูปสี่ก็คือธาตุสีนั่นเองก็นย่าแห่งวินิจฉัยอย่างอื่นในนามรูปนี้ทั้งหมด ได้กล่าวไว้แล้วในนิเทศแผงรูปขันคือในคำพีวิสุทธิมักเนี่ยพระพุทธโคสาจารย์ท่านเรียบเรียงก่อนที่จะอธิบายอาตาัตกรถาแล้วก็ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้พระมหาเทระในคณะมหาวิหารเห็นชัดเจนนะฮะว่าท่านเข้าใจท่านเข้าใจธรรมะเหล่านี้เพียงแต่ว่าจะพูดโดยย่อหรือโดยพิสดาร ในวิสุทธิมักนิจะพูดโดยพิสดารเป็นหนังสือหนาเป็นพันกว่าเล่มนะฮะเป็นพันกว่าหน้านหนังสือยาวมากก็อ่านกันหลายวันจึงจะจะจบแต่ถามาอ่านรอบเดียวเข้าใจไหมไมันก็ครับไม่เข้าใจหมดหรอกก็ต้องอธิบายไปไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องระดับการเรียนรู้แต่ว่าเป็นผลจากการเรียนการปฏิบัติ แล้วก็เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในจิตโดยกิเลสนั้นลดลงไปปริมาณแห่งกุศลธรรมก็เพิ่มสูงขึ้นภายในใจแล้วก็จิตก็บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบจนถึงกายกับวาจานั้นสงบ จิตใจมีความบริสุทธิ์แล้วก็จนปราศจากกิเลสในที่สุดคำว่าจะตุนังซึ่งแปลว่าเป็นที่สี่หรือเป็นสี่เนี่ยหมายความว่าทั้งหมดอาศัยดินน้ำลงไฟอากาศ๋ย่เราสังเกตว่าเราอยู่ในแต่ละวันเนี่ย ก็เรียกว่าทุกขณะของลมหายใจเนี่ยถ้าเราขาดดินน้ําลงไฟเราก็ยุ่งระนันเด็กมันก็แสดงว่าเราก็อาศัยดินน้ําลงไฟอยู่ตลอดรอบตัวเราก็เต็มไปด้วยดินดน้ําลงไฟในร่างกายเราก็เต็มไปด้วยดินน้ําลงไฟในจิตใจของเราก็ถูกปลนปลืหล่อเลี้ยงด้วยดินน้ําลงไฟก็ ในที่ทุกแห่งเนี่ยมาผิเอภูตรูปมีดินเป็นต้นแล้วก็รูปยี่สิบสามที่มีที่อาศัยมมาผูตรูปอุปาทายรูปยี่สิบสี่นะก็ในพระบาลีในคำพีอภิธรรมได้แยกประเภทเป็นจยากฆ่ายตนะอากฆ่ายตนะนะอาญาตนะขีตาเป็นต้น ก็เพราะวิญญาณเกิดวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเป็นผลจากการผสมกันของอวิชากับสังขารแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นวิญญาณนั่น่าวว่าวิญญาณใดเป็นปัจจัยของนามอย่างเดียวของรูปอย่างเดียว ทั้งของนามและของรูปด้วยเพราะฉะนั้นจึงสามารถแห่งนามแห่งรูปและทั้งนามทั้งรูปที่มีวิญญาณเป็นปัจจัยนั้นผู้ศึกษาพึงทราบการเกิดขึ้นแห่งนามและรูปตามนิยามที่กล่าวไว้แล้วในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปาทดังกล่าวแล้วนะครับคือให้ลองสังเกตว่าเป็นการพูดเรื่อง วิปัสนาอารมณ์ของวิปัสนาเป็นหลักก็จะเจอคำที่มันซ้ำกันเพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสผลเช่นการเห็นการเกิดดับในมันก็เห็นไปเรื่อยน่าเห็นไปจนกิเลสหมดไปจากใจก็ต่อไปเป็นผู้วิญญาณวาระ ปรวิญญาณนั้นมีการอธิบายไว้หลายที่ด้วยกันในปฏิจจสมบตัติข้อที่สในปฏิจจสมบตัติที่บอกว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเปรใใ็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณแต่ว่าบางคราวแม้ในพระสูตรเองเราก็พบว่าเป็นวิธีวิญญาณ หรือบิญญาณขันคือขันห้าแต่ว่าที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าผู้กับคนละขณะขณะมันก็สั้นเหลือเกินน่นนะนับไม่หวาดไม่ไหวนับไม่ทันทีนี้ถ้าบิญญาณขันหรือวิถีบิญญาณเนี่ยเราก็เรียกเต็มที่เลยจะกูบิญญาณโสตะบิน ญ, ญาณขานาบิน ญ, ญาณจิวาวิญญาณกายวิน ญ, ญาณ แล้วก็มโนบิญญาณสรุปแล้วว่าคือใจนั่นเองที่ชื่อว่ามโนบิญญาณทีนี้ไอตัวที่มาปฏิสนธิเองมันก็เป็นบิญญาณนั่นแหละเราเรียกว่าปฏิสนธิบิญญาณแต่เวลาทรงแสดงในพระบาลีก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังจะสามารถเข้าใจโดยในายาติ ก็จะเอาในญะ น, นั้นมาพูดพระวิญญาณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณขันวิญญาณนาธาตวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณวิถีวิญญาณวิปโสณที่วิญญาณอะไรเนี่ยมันก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่พูดถึงภารกิจของจิตคนละขณะกันก็ทำนั้นเอง คื่บางทีเราก็สูญเสียเวลาไปถกเถียงในเรื่องเหล่านี้ยเยอะก็ะไม่จาเป็นจะไปต้องถกเถียงกันหรอกเพราะว่าในพระบาลีเองก็ส่งแสดงอย่างนั้นเป็นการอนุโลมตามพื้นฐานของผู้ฟังธรรมะว่าผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านั้นได้โดยวิธีใดก็จะส่งแสดงโดยวิธีนั้นทีนี้ คำว่ามโนวิญญาณนี้เป็นชื่อของวิบากจิตที่เป็นไปในภูมิสามเวนทวิปัญจวิญญาณก็หมายความว่าเอาก็จรก็คือจิตจิตที่เป็นไปในภูมิสามตรงนี้บางทีอาจจะต้องการให้ง่ายอย่างในพระธรรมบทเรื่องแรกเรื่องปะจกคุบาล เวลาท่านอธิบายคําว่ามโนปูบังขมาธรรมานี่มโนหรือวิญญาณตรงเนี้ท่านเรียกว่าอัตตาโดยทําไปอันนี้เรียกว่าภาษาสมมติกันเต็มที่แต่มันเข้าใจง่ายกว่าคําอื่นคำว่าอัตตามันเข้าใจง่ายกว่าคําอื่นสําหรับชาวพุทธโ ด, ดยกันก็นึกถึงกันนึกนึกตรงกันว่าะนั้นก็หมายถึงถึงจิต ทีนี้ในประเด็นที่ว่าสังขารเกิดมีผู้ศึกษาเพิ่งทราบการเกิดแห่งวิญญาณเพราะสังขารเกิดตามนัยยะที่ได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคเหมือนกันโดยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยคำที่เหลือก็เป็นนัยยะนั้นตรงนี้ก็สามคำนะสามคำแรกในปฏิจจสมบัติ คืออภิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแต่ว่าก็เอาเฉพาะสามข้อแรกก็คือวิญญาณท่านพูดเฉพาะในญยยของวิญญาณทีนี้ข้อต่อไปเป็นสังขารวาระเวลาที่ว่าด้วยสังขารองคธรรมข้อที่สองะนะองคธรรมข้อที่สองในปฏิจจสมบัติ ท่านบอกว่าสังขารมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะส่วนในวาระที่มันพิษพิสดารออกไปของสังขารนั้นสังขารที่เป็นไปทางกายชืีวกายสังขารเป็นไปทางวจาิจชื่อวจิตสังขารเป็นไปทางจิตชื่อวจิตตสังขารอนนั้นก็ขยายรายละเอียดออกไปทีนี้ถ้าอธิบายโดยพิสดารตามนัยยะ ที่เขามีจริงๆนะคือเขามีจริงๆตามปกติแล้วก็ไม่อำนำมาแสดงโดยพิสดานอย่างนั้นเราก็ทำนองคล้ายๆกับเราไปเทศในที่ต่างๆเนี่ยแสดงธรรมะในที่ต่างๆก็แสดงเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่คนฟังมีวุฒิภาวะที่แตกต่างกันแต่เราจะใช้สับเหมือนกันไปหมดเลยแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่เข้าใจ คนส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าเรื่องรู้แล้วอีกคนส่วนหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปเฮืนก็ยกย้ายอย่าให้รู้สึกว่าง่ายเกินไปแล้วก็ยากเกินไปหรือว่าซ้ํากับเรื่องเหล่านั้นกายสังขารในที่นี้หมายถึงเจตนา20ดวง ทั้งที่เป็นกามาวจรแล้วก็เป็นกามาวจรอกุศนที่เป็นไปโดยการไหวกายในกายยทวารวัจีก็หมายถึงเจตนายีสที่เป็นไปโดยการเปล่งถ้อยคําเป็นวจีสังขารสังขารที่เป็นไปในทางจิตชื่อว่าจิตตสังขาร อิทสังขานี้ก็เป็นชื่อของมโนสันเจตนาอาหารยี่สิบเก้าดวงนั้นนับแบบประพิธรรมเลยนับออกไปเป็นสันดานเราจะเห็นว่ามโนสันเจตนาอาหารในแง่ของอาหารมันก็มีแค่หนึ่งตระหนั่นงแต่พอถึงตรงนี้ปรากฏว่าเป็นจิตยี่สิบเก้าขณะไอดวงนั้นมันคงจะเป็นภาษาที่สื่อสารเพื่อให้ คนฟังเข้าใจว่ามันต่างกันแต่ว่าไอ้จิตก็คือจิตือจิตก็คือจิตแต่ว่ามันถูกปรุงด้วยสังขารที่แตกต่างกันออกไปโดยเจตสิกที่แตกต่างกันออกไปก็นับสิ่งที่มาปรุงแต่งอะนับสี่มาปรุงแต่งสมมติว่าเรามีเสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้าชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสีมันต่างกัน ขนาดนต่างๆกันความกวาม้างความยาวมันต่างกันหนาบางต่างกันเป็นต้นเนี่ยแต่ก็พลาดนั่นแหละก็พลาดนั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรกันทีนี้สังขารที่เป็นไปแล้วทางจิตชื่อว่าจิตสจตสังขารจิตตสังขารก็เป็นชื่อของมโนสัญเจตนาหานยี่สิบก้าดวงอย่างที่ว่า ทนี้เราจะลืมว่าไอ้ที่นับเป็นดวงอย่างนี้มันถ้าเราดูที่จิตเราจริงๆเราจะเห็นว่ามันเป็นขันธ์เฉยๆเป็นคันธเฉยๆที่มันเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนตัวปรุงแตง่งอ่ะเปลี่ยนตัวปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ใช่ดับไปเลยนะฮะดับไปเลยแล้วก็เถียงกันยุ่งอยียดอ่ะมีหนังสือที่เขียนเถียงเรื่องนี้กันเป็นเล่มๆ คืออะไรล่ะทมาประทีชื่อไตโลกหไตโลกพิสดารอะไรนะก็เฉียงกันปุตลุดไปหมดเลยแต่ผลท้ายก็ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรคือทำเรื่องให้มันยากเกินไปเพระาะการสัมผัสโดยตรงจริงๆมันต้องสัมผัสด้วยผลนะฮะสัมผัสด้วยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วก็ได้สัมผัสผลไปตามลำดับของศีลสมาธิปัญญากพอย่างน้อยที่สุดคือศีลสมูลสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอความรู้ความเข้าใจของคนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้การที่จัดเป็นมนสันเจตนาหานี่โดยโลกิยะกุศลและโลกิยะอกุศล ที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั่งคิดอยู่ในที่ลับโดยไม่ได้ทำการไหวกายและวาจาก็มีเพราะอาวิชชาเกิดเราพึงทราบว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารที่เป็นกุศลโดยอุปนิสยาปัจจัยบ้างของสังขารที่เป็นอกุศลโดยสหาชาตปัจจัยเป็นตนบ้าง คำที่เหลือก็เหมือนการที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นให้ลองสังเกตว่าเรื่องเหล่านี้ท่านเคยแสดงมาแล้วในตอนต้นเนี่ยตอนนี้ก็นํามาขยายเพราะว่าไปแยกประเด็นอธิบายต่อไปก็เป็นอภิชาแะฮะเป็นตัวขอกใหญ่แต่ว่าในพระสูตรนี้แสดงที่หลังสุดมันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับลรมองจากปลายไม้มาถึง รากของไม้อะหรือว่าเรามองจากรากของไม้ขึ้นไปหาปลายไม้แต่ว่าแนวที่พระเสราแสดงเนี่ยเป็นการมองจากปลายไม้มาหาโขดไม้แล้วตอนนี้ก็มาถึงลำดับของโขดไม้จริงๆคือรากเง้าจริงๆก็ได้แก่อวิชาก็อวิชนิชัยในอวิชาท่านบอกว่า ความไม่รู้ในทุกข์สัตย์ชื่อว่าความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกนี้เป็นชื่อของโมหะคำว่าความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นต้นดังนี้คือไม่รู้สรุปว่าอาวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ในอริยศาสตร์สี่ คือไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกไม่รู้ในความดับทุกไม่รู้ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรดับทุกแล้วไม่รู้อดีตเพราะไม่รู้สี่อย่างเนี่ยทําให้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏจยาการในจํานวนสัจจะทั้งสี่การไม่รู้ทุกพึงทราบได้โดยเหตุด้วยท่าประการคือการ อย่างลงภายในหนึ่งโดยอารมณ์หนึ่งโดยการปกปิดไว้หนึ่งการไม่รู้ทุกนั้นชื่อว่าอย่างลงในภายในทุกเพราะนับเรื่องในทุกศาสตทุกศาสต ร, ร์ชื่อว่าเป็นฐานเป็นที่ตั้งเพราะเป็นนิสยปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันของการไม่รู้ทุกนั้นชื่อว่าเป็นอารมณ์ เพราะเป็นอารมณ์อารมณมณะปัจจัยของการไม่รู้ทุกนั้นแล้วก็ตุกษะย่อปกปิดการไม่รู้ทุกนั้นไว้เพราะสมุทัยนั้นการกั้นกา ร, การแทงตลอดลักษณะตามความเป็นจริงเพราะไม่ให้ยาดำเนินสืบไปความไม่รู้ในสมุทัยก็จำแนกเอาไปเป็นสามอย่าง คือหนึ่งไม่รู้โดยฐานที่ต่างสองไม่รู้โดยอารมณ์สามไม่รู้โดยการปิดบังความไม่รู้ในนิโรธและปฏิปทาคือทั้งสองอย่างนะทงางนิโรธและก็มารกษะนี่ก็เกิดจากเหตุเดียวคือการปิดบังเอาไว้อะไรปิดบังละ่ะคืออวิชามันไปปิดบังพวกส ม, มุทัยการ น, นิโรธเนี่ยเป็นความจริง เป็นความจริงที่แท้จริงแต่ให้ลองสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยท่านใช้คำว่าคําปิดบงังหรือว่าบางทีก็พูดว่าปกปิดเอาไว้ก็ตัววิชาเนี่ยแหละไปปกปิดเอาไว้ไปบังเอาไว้ก็แต่ความไม่รู้ในสัจจะทั้งสองนั้นไม่เป็นการอย่างลงสู่ภายในสัจจะทั้งสองนั้นเพราะ ไม่นับเรื่องในสัจจะทั้งสองนั้นสัจจะทั้งสองนั้นไม่เป็นที่ตั้งของความไม่รู้สัจจะทั้งสองนั้นเพราะไม่เป็นธรรมเกิดร่วมกันไม่เป็นอารมณ์และไม่ปรรบสัจจะทั้งสองนั้นสัจจะสองข้อหลังคือนิโรธกับมรดเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งและในเรื่องนี้ความไม่รู้อันเป็นความมืดมนย่อมไม่เกิดขึ้น ส่วนสัจจะสองข้อต้นลึกซึ้งและเป็นสภาวะลักษณะที่มีความหมายต่างกันได้ยากเพราะงั้นความไม่ความไม่รู้หรือความมืดมนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะอำนาจการถือเอาหมายเอากำหนดเอาตามที่ตนสัมผัสหมายความมาคิดตามสัมผัส แล้วก็เข้าใจตามที่ตัวเองสัมผัสด้วยประสาทห้านะฮะไม่ใช่สัมผัสด้วยใจเพราะงั้นท่านที่จะรู้จะเข้าใจจริงๆก็ต้องสัมผัสด้วยใจเรียกว่าใจรู้ใจอะไรกันแต่ในาการทําทําอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันก็สรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันต้องพยายาม เป็นผลการปฏิบัติระดับที่สูงสุดที่เทวดาและมนุษย์สามารถจะทำได้แล้วเมื่อเทวดาและมนุษย์ทำได้เนี่ยก็แสดงว่าสัตว์เราอื่นนอกจากที่กล่าวเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะคือพวกอะไรล่ะพวกอบายนีย่มัน ก, ก็ทำไม่ได้พวกมนุษย์หลายะหลายประเภท นะทำชาติเดียวไม่ได้สองชาติไม่ได้ตั้งแตห่หลายชาติสะสมกันไปแต่พอมาถึงระดับสูงสุดหรือระดับที่ทำให้เป็นพระรยาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสุดๆในหลายๆเรื่องมาเข้ามาประกอบกันแล้วก็ช่วยให้การประพฤติปฏิบัติของท่านผู้นั้นบรรลุผลตามที่ท่านต้องการได้ ในข้อปฏิบัติให้ถึงความรับทุกข์ท่านแสดงอวิชชาไว้โดยกิจแต่โดยไม่แตกต่างกันแล้วอวิชชาพึงทราบว่าท่านแสดงไว้โดยสภาวะด้วยคาว่าความไม่รู้ดุเขอัญญานังดุขะสมุไดเยัญญาณังดุขนิโรเทัญญาณังดุขะนิโรทกามิ น, น, น, นปีปฏิปดาัญญาัญญาณังเนี่ทีนี้อาสวะ กามาสะวะภาะวะสวะคำว่าอาสะวะสมุทยาคือคือตรงเนี้ยตรงอาเดียศาสตร์เนี่ยบางทีทรงใช้คำว่าอาสะวะนะฮะไม่ใช้คำว่าตันหาดับอาสะวะเอเกิดอาสะวะความดับอาสะวะในข้อปฏิบัติได้ถึงถึ ง, ถ ง, ถงความดับอาสะวะคือใช้อาสะวะหมดทุกทุกโตคำทีนี้ ในที่บางแห่งประสูตรก็ใช้ทุกอจาจใชทุกสมุทรนิโรธมากก็ก็คือกันนั่นแหละเราจะเห็นว่าถ้าพูดเฉพาะเรื่องอสวก็หมายความว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแต่นั่นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นนันเดียวกันด้วยการเป็นปัจจัยของกันอะกันปัจจัยที่เกิดร่วมกัน อวิชาเป็นปัจจัยของอวิชาด้วยอำนาจของอุปนิสยาปัจจัยและในข้อ น, นี้พึงทราบว่าอาวิชาที่เกิดขึ้นก่อนชื่อว่าอาวิชาสวะอวิชานั้นเป็นอุปนิสอุปิสยปัจจัยก่อวิชาที่เกิดขึ้นในการต่อมาคาที่เดือมีในยาดังกล่าวแล้วต่อไปก็เป็นอาสวะซึ่งเป็นที่จริงก็คือพวกสมุทยัย แต่ว่ามันเป็นการพูดด้วยการไม่มีไม่มีสมุทยัยก็คือดับพวกกิเลสต่างๆนั้นได้ได้ได้หมดออกไปนั่นเองในครนี้พึ่งสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ทรงสรุปผลเนี่ยทรงสรุปผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชั้นสูงนะฮะชั้นสูงสุด ชระอระหัก็จะใช้คำว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นดูปาทานทางที่คำต้นเนี่ยพูดถึงดับตัณหาแต่ว่าพอพอเอ็นดับจริงๆปรากฏว่าเป็นอาสวะกับอุปาทานทั้งหมดเป็นชื่อของกิเลสด้วยกัน แล้วก็ตัณหามันค่อนข้างจะแรงะตัณหานี่มันแรงอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตเราสังเกตว่าถ้ามันเกิดตัณหาอะมันแรงกรรมตัณหาก็แรงภาวะตัณหาก็แรงวิภาวะตัณหาก็แรงจนถึงนำไปสู่การฆ่ากันตายเพราะต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นถ้าต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นก็ พอเมื่อฟอกจิตจนบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไอ้พวกเหล่านี้มันก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสภาวะของมันลดความเข้มข้นของกิเลสลงไปก็กลายเป็นอาสวะแล้วก็อุปาทานแล้วก็เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นะเรียกชื่ออย่างอื่นก็เยอะคือหมายความว่าไม่มีพวกกิเลสที่มีชื่อต่างๆ ดับตัณหาก็ได้ดับอวิชาก็ได้ดับความโลภ ก, ก็ได้ไม่มีความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็ได้ก็ทรงอธิบายชี้แจงไปโดยประกาศ น, นี่ก็จำนวนธรรมะที่ท่านยกขึ้นมาแสดงเพึ่สังเกตว่าเป็นการแสดงเป็นหมวดหมวดหมู่หมูหม่แต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มของออทุก สมุทัยนะฮะทุกขะสมุทัยนี่เป็นหลักก็ไม่ได้เน้นไปที่ตัวมรรคกับนิโรธเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาเองเมื่อสมุทัยดับสมุทัยดับไปทุกขะดับนิโรธก็เกิดอะนิโรธก็เกิดแลมรรคเขาก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตว่าท่านจะพูดใน เรื่องกรรมเรื่องอาหารเรื่องทุกข์เรื่องเจรามรณะเรื่องชาติเรื่องภาวะราคะภาวะเรื่องอุปาทานเรื่องตัณหาเรื่องเวทนาเรื่องผัตตะเรื่องสลายตนะเรื่องนามรูปเรื่องวิญญาณเรื่องสังขารเรื่องอวิชาเรื่องอาสวะรวมแล้วก็เป็นสิบกวาระด้วยกันในสิบกวาระนั้น แต่ละวาระแยกเป็นสองอย่างคืออย่างย่อและอย่างพิสดารจึงเป็นสาสิบสองสถานะรดยเหตุดังนี้ในพระสูตรจึงเป็นอันประเถระได้กล่าวสัจจะทั้งสี่อย่างในสาสองสถานะเหล่านี้พระเถระได้กล่าวอารหัตไวในที่สถานะที่ส6หที่กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารในจำนวนนั้น ตามมติของพระเทระท่านได้กล่าวสัจจะทั้งสและมรรคทั้งสี่ไว้ในสาสองฐานเท่านั้นเพศดังกล่าวมาแล้วนี้พระพุทธพจน์ที่พระธรรมสังฆากาจารในรวบรวมไว้ในนิกายใหญ่ทั้งห้าจึงไม่มีสูตรใดประกาศสัจจะสี่ไว้ถึงสาสองครั้งและประกาศพระอรหันต์ไว้ถึงสาสองครั้งนอกจากสมาธิสูตร หมายความว่าเป็นการแสดงที่เอาพิสดารเต็มที่กันเลยพวกนี้เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆาราชเคยเอามาเรียบเรียงเราใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิโดยมติของพระสารีบุตรเถระก็ว่าไปยาวเยียดนะฮะยาวเยียดเป็นเล่มหนังสือเบลมเลยใหญ่โตเลยพระสุเดียเนี่ย แต่ข้อความเนี่ยจะเห็นว่ามันไปสัมพันธ์กันทั้งหมดมหมายความว่าอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งดับหรืออย่างหนึง่งอย่างหนึ่งเกิดมาอย่างหนึ่งก็ลดลงไปอย่างหนงฝ่ายกิเลสเกิดเนี่ยฝ่ายทุกข์ก็ลดลงไปฝ่ายมากเกิดฝ่ายนิโรธก็เพิ่มขึ้นฝ่ายสมุทัยก็ดับค่อยๆลดลงไปแล้วก็ฝ่ายทุกข์ก็จะดับ นี่ก็เป็นสมาธิทิฏิสูตรก็ยังมีพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งพ่าที่จริงก็มีการบรรยายอบอรุมกันแพร่หลายก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิ ม, มนิกายนี้ที่จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของมัชฌิมานิกายยังไม่พิสดารเท่ากับที่มหาวัฏในทีคานิกายแต่ว่า กคงจะต้องอธิบายเฉพาะประสูตรนี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นจะต้องดูกับมหาตรประฐานสูตรนี่หลายเดือน น, นนะฮะกินเวลาอยู่หลายเดือนนี่ก็เป็นสมาธิที่สูตรท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้